พระอนุบัญญัติอ น, นึ่งภิกษุใดยังไม่ถึงครึ่งเดือนอาบน้ําต้องอบัติปาจิตติเว้นไว้แต่ในสมัยสมัยในข้อนั้นคือท้ายฤดูร้อนหนึ่งเดือนครึ่งและเดือนแรกแห่งฤดูฝนรวมเป็นสองเดือนครึ่งเป็นสมัยที่ร้อนเป็นสมัยที่อบอ้าวนี้เป็นสมัยในข้อนั้นศิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้